สิกขาบทที่10เรื่องพระชัพขี5 9าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสถีครั้งนั้นพวกพิสุจน์ฉพคีนั่งโคลงศีรษะทำขอภาพในละแวกบ้านพระบัญญัติ10พึ่งทำความสำเนียกว่าเราจะไม่นั่งโคลงศีรษะในละแวกบ้านเรื่องพระชับีจบสิกขาบทวิพัง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 สิกขาบทที่สิบจบอุตชักิกกวักที่สองจบ